ทำไมคนตาบอดบางคนช่วยได้บางคนช่วยไม่ได้ถามคนตาบอดบางคนช่วยได้บางคนก็ช่วยไม่ได้เช่นการผ่าตัดเปลี่ยนตานำเนืตาของคนตายมาใส่แทนหลายรายก็ล้มเหลวด้วยอุปสรรคต่างๆเช่นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายผู้ป่วยไม่ยอมรับ และทําลายในตาคู่ใหม่ให้เสื่อมหรือเน่าไปตอบการเป็นคนตาบอดไม่ใช่เรื่องเล็กๆแน่นอนว่ากรรมที่เป็นตัวบรนดาลย่อมไม่เล็กน้อยไปด้วยแต่ตามกฎแห่งกรรมวิบากนั้นไม่ว่าจะก่อบาปมาหนักเพียงใด ขอเพียงมีบุญที่เป็นปฏิปักษ์และน้ำหนักสมน้ำสมเนื้อกันมาสู้ผลของบาปที่เกิดขึ้นก็อาจเบาบางลงได้เมื่อบาปที่ทำให้ตาบอดคือห้ามการเห็นของผู้อื่นบุญที่เอื้อให้สามารถเห็นได้อีกครั้งก็ต้องเป็นช่วยให้ผู้อื่นเกิดการเห็นซึ่งก็เป็นไปได้มากมายสารพัดทางนับแต่การประดิษฐ์คิดค้นแว่นสายตาดีด หรือผลิตเทคโนโลยีชดเชยส่วนบกพร่องของประสาท ต, ตาหรืออย่างลุยสเบลที่เกิดไอเดียจากการส่งข่าวทางทหารสร้างอักษรชนิดใช้ปลายนิ้วสัมผัสที่เรียกว่าอักษรเบลล้วนนับเป็นเจตนาช่วยเหลือคนที่มีความบกพร่องทางการเห็นให้สามารถรับรู้ได้ใกล้เคียงคนตาดีผลโดยตรง คือทำให้ประสาทตาดีกว่าคนทั่วไปผลโดยอ้อมคือเป็นบุญที่เตรียมไว้เผื่อช่วยในยามตาบอดให้มีทางหายได้ความเป็นไปได้ในการหายนั้นมีอยู่หลายรูปแบบเช่นบางรายผ่าตัดเปลี่ยนในตาไม่สำเร็จเพราะภูมิคุ้มกันไปทำลายตาคู่ใหม่ก็อาจมีเทคโนโลยีกดภูมิคุ้มกันเข้ามาสู้ ซึ่งจะสู้ได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับการอนุญาตของกรรมเหตุผลและน้ำหนักความพยายามที่จะทำให้ผู้อื่นตาบอดก็อาจเป็นตัวกาหนดว่าเมื่อกำเพลดผลคือตาบอดแล้วจะเยียวยาได้หรือไม่ถ้าทำไปด้วยความโกรธแค้นและมีความพยายามสูงที่จะให้ผู้ที่ตนเกลียดชังตาบอด แม้เหยื่อจะขอร้องวิงวอนก็ไม่สงสารอย่างนี้ต่อให้เทคโนโลยีกดภูมิคุ้มกันก้าวไปไกลแค่ไหนภูมิคุ้มกันก็จะปฏิเสธในตาคู่อื่นร่ำไป